บทที่สามสิบสามสาธุพระพุทธเจ้าท่านสอนดีเลือเกินฉันขอบคุณหลวงพ่อจริงๆที่อุตส่ายกคำสอนของพระพุทธองค์มาพูดให้พวกเราฟังฉันว่าหลวงพ่อจะต้องบรรลุมรรคผลเหมือนท่านเจ้าคุณอาจารย์แน่เลยถึงได้เก่งพอๆกันว่าแต่ว่าเมอ่อตกี้ ลุงพ่อยกมาเมอรติกีเนี่ยนะอยู่ในพระไตปิดกเล่มที่เท่าไรข้ออะไรจ๊ะแม่ชีถามอย่างอยากรู้จริงๆไม่ใช่เพื่ออยากจะลองภูมิท่านเช่นแต่ก่อนอาตมา ก, ก็จำไม่ได้แล้วฝากแม่ชีไปกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยก็แล้วกันท่านพระครูตอบโดยไม่ได้รู้สึกว่าเสียหน้าแต่อย่างใด ทำไมหลวงพ่อจำไม่ได้ล่ะจ๊ะแม้ฉันนึกว่าหลวงพ่อเก่งเท่าท่านเจ้าุณอาจารย์เสีอีกพูดอย่างผิดหวังนิดนิไม่แชลเรื่องความเก่งหรือความไม่เก่งหรอกนะแม่ชีท่านพระครูท่านเป็นไปตามถี่พระพุทธองค์ทรงสอนต่างหากหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดขึ้นด้วยไม่ต้องการให้แม่ชีปวนเข้าใจผิด หมายความว่าอย่างไรจ้าแม่ชีไม่เข้าใจโยมจำบทสังเวะปาริกิตนะปาทะในคำทาวัดเช้าได้หรือเปล่าที่ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาก็ไม่เที่ยงจำได้หรือเปล่าจำได้จ้ะ ฉันจำคำทำวัดเช้าได้หมดเลยไหนลองว่าไปสิเอาตั้งแต่รูปังอนิจจังไปจนถึงสัพเพธรรมมาอนัตตาตินั่นแหละแม่ฉีถึงท่องด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เทียงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เทียงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เทียง สังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้แม่ชีต้องอย่างคล่องปากหากไม่เข้าใจความหมายสักเท่าใดนะัก ใครว่าแม่ชี้ท่องได้ครบตามที่อาตมาสั่งบ้างหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามคฤหัสถ์ทั้งหลายโยมรู้สึกว่าจะข้ามไปสักสี่ห้าวักนะคะโยมผงใสกราบเรียนถ้าอย่างนั้นโยมช่วยทบทวนใหม่ด้วยโยมจำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ถ้าว่าพร้อมๆคนอื่นก็พ่อว่าได้ ให้ว่าคนเดียวจำผิดผิดถูกถูกนิมนต์ท่านคุณทศช่วยโยมด้วยค่ะโยมผ่องใสประนมมือนิมนต์พระคุณทศภิกษุหนุ่มจึงว่าตามที่ได้ทำวัดทุกเช้าว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตา สัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรมมาอนัตตาติท่านไม่แปลแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรล่ะแม่ชีปวนต่อว่านิดนิดอัตมาแปลโดยสรุปก็แล้วกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนพระกุนทดแปลแบบสรุปหากท่านได้เรียนบาลีมาก่อนก็คงจะแปลวักต่อวักได้ทำไมประโยคสุดท้ายจึงไม่ใช่สังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนทำไมใช้คำว่าทำหลวงพี่กรุณาอธิบายด้วยเถอะครับหนุ่มน้อยขอความรู้จักพระกุนทด หลวงพ่อช่วยอธิบายแทนผมดีกว่านะกครับผมไม่มีความสามารถอีกอย่างผมก็ยังไม่ได้ป ร, รียนาธรรมสักประโยคเดียวพระนมพูดอย่างตรงไปตรงมาหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงอธิบายว่าที่เป็นดังนี้เพราะสังขารเป็นสังฆต ธ, ธรรมหมายถึงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแตง่งได้แกข่ขันห้าทั้งหมดแม่ชีปวนตอบอาตมามาสิ ว่าขันหามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะแม่ชีตอบเร็วปรือเรากับกลัวคนอื่นจะแย่งตอบแล้วสังขารในขันหากับสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเหมือนกัรรัว่วต่างกันท่านถามอีกอันนี้ก็ชักงงงงเอาอย่างนี้ท่านจเจริญช่วยตอบก็แล้วกัน แม่ชียน์กรองไปให้พระมกุฏเทพไม่เหมือนกนรหอกโยมเพราะสังขารในขันห้าหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือว่าเป็นกลางกลางสังขารในความหมายนี้ก็เป็นหนึ่งในขันห้าที่แม่ชีตอบมาแล้ว ส่วนสังขารในประโยคที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั้นหมายรวมถึงขันห้าทั้งหมดพูดอีกอย่างก็คือสังขารคาหลังมีความหมายกว้างกว่าคําแรกและหมายถึงสังขตธรรมซึ่งคู่กับอสังขตธรรมอสังขตธรรมก็หมายถึงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือนิพพานถึงตอนนี้ ผมข อ, อนิมนหลงพ่อช่วยสรุปด้วยเถอะครับผมเองก็ชักจะงงๆอยู่เหมือนกันพระมะกุเทศผู้มีชื่อพร้องกับท่านพระครูขอความช่วยเหลือสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอาธิบายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเช่นสัตว์คนต้นไม้ภูเขาเทวดาบ้านเรือนตึกพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆ ทะเลมหาสมุทรพื้นแผ่นดินก็ล้วนเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งจึงตรงกับสังขารในคําว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงส่วนที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งคือนิพพานซึ่งเป็นอสังขตธรรมและที่ว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ คำว่าธรรมในที่นี้รวมทั้งสังคต ธ, ธรรมแล้วก็อสังคต ธ, ธรรมหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนส่วนนิพพานเที่ยงแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวตนว่าโดยย่ อ, อคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนจึงสรุปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้น ท่านพระครูอธิบายแบบผู้ที่เคยเรียนบาลีมาก่อนแล้วที่อาตมาพูดว่าท่านพระครูท่านเป็นไปตามที่พระองค์ทรงสอนอาตมาหมายถึงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงการที่ท่านจำไม่ได้ว่าพระพุทธวจนะที่ท่านอัญเชิญมานั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใดข้อที่เท่าไรเพราะความจำได้หมายรู้ เป็นของไม่เทียงความจำได้หมายรู้ก็คือสัญญาคนที่จำอะไรไม่ได้เพราะสัญญาไม่เทียงถ้าเทียงก็ต้องจำได้ใช่ไหมหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยเสริมใช่จ้ะแม้อธิบายตั้งนานกว่าฉันจะเข้าใจและพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยากจังเลยนะจ๊ะ บางครั้งฉันก็นึกท้อเหมือนกันผมก็รู้สึกอย่างนั้นครับพระทวารรีบสนับสนุนท่านเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูอธิบายเพียงร้อยละห้าสิบเท่านั้นท่านพระครูห้ามว่าท้อไม่ได้นะห้ามท้อแล้วก็ห้ามถอยเด็ดขาดเราเป็นชาวพุทธจะต้องเข้าใจาศาสนา ที่นับถือให้ทองแท้ไม่เช่นนั้นก็จะต้องอายชาวคริสนะแต่อย่างที่เราพูดกันแล้วว่าวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งเป็นสถาบันสอนผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดคริสตเขายังเรียนวิชาพระพุทธศาสนาถึง8วิชาถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนาของเราอีกหน่อยก็ต้องไปขอเรียนจากเขาแล้วไม่อายเขารึ ที่โยมบอกว่ายากเพราะไม่เคยเหมือนที่โยมยายของอาตมาสอนเสมอๆว่าล้านเอ้ยอยากแท้แต่ไม่เคยถ้าเคยเสแล้วมันก็ไม่ยากถ้าโยมทําความคุ้นเคยกับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนโยมก็จะเห็นว่าไม่ยากอย่างอาตมานนิสมัยเด็กๆไม่เอาทานเลยโยมยายให้สวดมนก็ไม่สวด บอกว่ายากโยมยายแม่รู้หนังสือแต่สวดมนต์เก่งมากเพราะเคยเสียแล้วสรุปว่าอะไรที่ยากก็ต้องทำให้คุ้นเคยแล้วก็จะง่ายไปเองอาตมามีวิธีทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายทำอย่างไรล่ะจ๊ะแม่ชีป่วนถามอีกตามเคยปฏิบัติบูบชาหรือที่เรียกว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐาน อาตามาเคยเห็นเด็กคนหนึ่งอายุหกขวบเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดอาตามามากับแม่เขาที่วัดเราอนุญาตให้มาปฏิบัติตั้งแต่8ปขวบถึง70สปีถ้าน้อยกว่านั้นหรือต่ำมากกว่านั้นก็จะต้องมาขออนุญาตอาตามาก่อนเด็กผู้ชายคนนั้นเข้ามากับแม่เขาแม่ชีก็พามาขออนุญาต อาตมากอถามว่าหนูจะไหวหรือเขาก็ตอบว่าไหวครับหลวงปู่ไม่กวนแม่เขานะเขาก็ตอบว่าไม่กวนครับอาตมาดูแล้วว่าเด็กคนนี้มีบุญเก่าติดตัวมาจึงอนุญาตแล้วก็น่าแปลกเวลาสอบอารมณ์เขาตอบได้ดีกว่าผู้ใหญ่ิอีกพอเขาปฏิบัติได้ เขาก่อรู้ปริยัตโดยไม่ต้องเรียนเล่นเอาพวกผู้ใหญ่อายไปเลยเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมปฏิบัติมากๆเมื่อใดเรื่องปฏิบัติเรื่องปริยัตก็จะตามมาเองเหมือนพ่อหนูคนนั้นแสดงว่าเด็กคนนั้นเก่งกว่าเด็กสมัยพุทธกาลนะครับหลวงพ่อเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเด็กที่มาบวชเป็นสามเนนจะต้องอายุเจ็ดขวบเป็นอย่างต่พระเจะริญพูดขึ้น ไม่แน่เสมอไปหรอกท่านจริงอยู่สมเนณรูปแรกคือพระราหุลท่านบรรพชาเมื่ออายุได้เจ็ดขวบโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชาแต่ก็มีปรากฏในภายหลังว่าเด็กอายุสี่ขวบก็สามารถบวชเป็นสมณนนได้ท่านรสสุคนทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัด ท่านถามพระรสุขคนซึ่งนั่งสับปะงกด้วยว่าเป็นเวลาพักผ่อนพระนุมถือเช้าเอเ็นเพลนอนเย็นพักผ่อนข้ามจำวัดเป็นวัดปฏิบัติหลวงพ่อถามอะไรเหรอครับท่านสะดุง้งและหายง่วงเป็นปริทิ้งรู้สึกอายญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้หญิง ผมถามว่าพระพุทธองค์ทรงใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าเด็กคนนี้จะบวชเป็นสรมเนนได้หรือไม่ได้ใช่อายุครับต้องอายุเจ็ดขวบเป็นอย่างต่าจึงจะบวชได้ตอบเพราะไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ท่านพระครูพูดเพียงได้ยินผ่านหูไปเท่านั้นผมคิดว่าวุฒิภาวะครับนมน้อยเป็นคนตอบ ถูกแล้วนูกเก่งมากท่านพระครูชมแล้วจึงอธิบายขยายความว่าพระพุทธองค์ใช้วุฒธธิภาวะเป็นเกณฑ์วัดว่าเด็กคนไหนจะบวชเป็นสามเณรได้วิธีวัดก็คือถ้าเด็กนั่งกินอาหารอยู่ปรากฏว่ามีนกหรือกามาจิกอาหารในจานกินแล้วเด็กสามารถไล่นกกาตัวนั้นไปได้ก็ถือว่าสามารถบวชได้ มีเด็กอายุ4ขวบสามารถทาได้แล้วก็มีเหมือนกันที่เด็กอายุ8ขวบแต่ทำไม่ได้ในกรณีนี้เด็กอายุ4ขวบสามารถบวชได้ส่วนคน8ขวบยังบวชไม่ได้พระองค์ทรงประเสริฐล้าเลิศเลิเกินฉันว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งมากเลยนะเจ้าหลวงพ่อท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่าง แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเทวดาได้ไ้มจ๊ะแม่ชีปวนขอความเห็นพระพุทธองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าเทวดามารพรหมทั้งหลายแม่จะทรงเป็นมนุษย์เหมือนโยมเหมือนอาตมาแต่พระองค์ประเสริฐล้ำเลิศกว่าอาตมาขอถามแม่ชีว่าแม่ชีมีตากี่อย่างตาจะเป็นกี่อย่างได้อย่างไร ล, ล่ะลุงพ่อ ตาก็หมายถึงผัวของยายก็ต้องเป็นกี่คนแต่ถ้าเป็นลูกในตาก็ต้องเป็นกี่ข้างไม่ใช่กี่ยางแม่ชีเถือโอกาสสอนภาษาไทยให้ท่านพรักครูแต่ตาของพระพุทธเจ้าเรียกเป็นอย่างนะคืออาตมากาลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีตาหรือจักขุห้ายาง ขณะที่บกเรามีอย่างเดียวอยากรู้ไม่ว่าตาหาอย่างของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านถามคนฟังอยากครับอยากค่ะคนฟังทั้งพระทั้งชีอุบาสกอุบาสิกาต่อเป็นเสียงเดียวกันเพราะต่างเฉพาะคำลงท้ายคือครับกับค่ะตาอย่างแรกที่พระองค์ทรงมี เหมือนกับพวกเราก็คือตาเนื้อภาษาบาลีว่ามังสะจักคุแต่ก็มีพิษกว่าตามนุษย์ทั่วไปคือทรงมีพระเนตรที่งามแจม่มใสไว้แล้วก็เห็นชัดเจนแม้ในระยะไกลส่วนมนุษย์ธรรมดาตามักมีต่อเนื้อต่อหินต่อกระจกบางคนก็ตามัว เมื่ออายุมากขึ้นสรุปว่าแม่จะทรงมีตาเฉนเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายแต่ก็ยังมีลักษณะพิเศษกว่าแล้วตาอีกสี่อย่างที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีได้แก่ตาอะไรบ้างคะสตรีที่จ้างฆ่าสามีถามหล่อนเริ่มจะซาบซึ้งในความยิ่งใหญ่ประเสริฐเลิศล้ำของพระพุทธองค์ หลังจากที่คิดหมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเองมาหลายวันท่านพระครูบรรยายต่อว่าตาอย่างที่สองเรียกว่าตาทิพตภาษาบาลีเรียกว่าทิพพจักกุเรียกอีกอย่างว่าจุตูปปาตยานซึ่งเป็นข้อสองในวิชาสามคือทรงมีพระยานอันเห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปต่างๆกันด้วยอำนาจกรรมตาอย่างที่สองนีมนุษย์ธรรมดา มีไม่ได้แต่มนุษย์ที่ได้อภิญญาทั้งหลายก็สามารถมีได้แล้วหลวงพ่อมีตาอย่างที่สองหรือเปล่าล่ะจ๊ะแม่ชีป่วนถามอย่าชวนนอกเรื่องท่านพระครูปรามโดยไม่ต้องการตอบคําถามของแม่ชีดิฉันก็อยากทราบค่ะว่าหลวงพ่อมีตาอย่างที่สองหรือเปล่า ดิฉันสังเกตว่าหลวงพ่อมีอะไรอะไรพิเศษกว่าพระทั่วไปน่าจะมีตาอย่างที่สองท่านมีใช่ไหมคะสตรีที่จ้างค่าสามีถามอาตมาขอสงวนสิทธในการตอบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอัตมาอยากขอร้องญาติโยมว่าอย่าได้เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับส่วนรวมแล้วก็อย่าไปอยากรู้เรื่องส่วนตัวของไกลเขา ท่านสอนแกมสั่งก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนิโมลหลวงพ่อบรรยายต่อในเรื่องตาที่สามของพระพุทธเจ้าเถอค่ะหล่อนยอมเชื่อฟังแต่โดยดีตาอย่างที่สามเรียกว่าตาปัญญา คือปัญญาจักขุเป็นตาที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้กล่าวอีกนายหนึ่งก็คือพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยปัญญาจักขุตาอย่างที่สี่เรียกว่าพุทธจักขุแปลว่าตาพระพุทธเจ้าได้แก่ญาณที่ยังรู้อัธยาศัยอุปนิสยัยและอินทรีย์ที่ยิ่งย่อนต่างๆกันของเวนัยศัตร์ ทรงสอนแล้วก็แนะนำให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆอย่างพุทธกิจให้บริบูรณ์และตาอย่างที่หคือสมันตจักสุแปลวตาเห็นรอบคือทรงประกอบด้วยสัพพัญญุตยานอันยังรู้ธรรมทุกประการญาตโยมเห็นหรือยังว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงคุณอันประเสริฐเลิศล้ำเพียงใด ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็ไม่ทรงสงวนลิขสิทธิ์กล่าวคือคุณสมบัติต่างๆที่พระองค์ทรงมีพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้วิเยศาสต ร, ร์ประพฤติปฏิบัติอย่างนั่นบ้างสรุปว่าที่ลงพ่อกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ธรรมดาก็สามารถทำได้ใช่ไหมจ๊ะแม่ชีปวนช่วยสรุปถูกแล้วโยม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้อยู่ดีๆเราจะประเสริฐเลิศและไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนอบรมหรือเรียกว่าสร้างสมบารมีพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอตตานังธรมยันติบัณฑิตาแปลว่าบัณฑิตยอมฝึกฝนตนและการฝึกตนที่ดีที่สุดก็คือเจอเริญวิปัสสนากรรมฐาน อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรข้ออะไรจ๊ะแม่ชีถามด้วยความเคยชินเล่มที่25ข้อที่ส6ท่านพระครูตอบฉันอยากฝึกตนการฝึกตนที่ดีที่สุดท่านเจ้าคุณอาจารย์สอนฉันว่าต้องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อว่าจริงอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าจ๊ะ ถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงโยมก็ต้องทดลองโดยตนเองไม่ลองก็ไม่รู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านตัดรับรองไว้หรือเปล่าครับคราวนี้พูดถามคือพระมกุเทศท่านกําลังรวบรวมความรู้จากหลวงพ่อวัดดอนเมืองและหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงเพื่อนําไปปรับปรุงวิชามากุเทศของท่านเป็นการช่วยเผยแผ่พระาศาสนาไปในตัว พระพุทธองค์ตรัสรับรองสติปัฏฐานสีไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบก่อที่สองร้อยเจ็ดสิบสามหน้าที่สามร้อยยี่สิบ้าดังนี้เอกายโนอยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมาติกมายะทุกขโมทมัสสานังอัดทังขมายะ ยายัสะอธิคมายะนิพานัสสะสัจฉิกิริยยะยธทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาแปลว่าดูกระภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงความโศกและความคลำกรวน เพื่อความดับศูนย์แห่งทุกกายและทุกใจเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจงสึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สาธุทั้งพระและขารหัตพากันยกมือขึ้นสาธุเมื่อท่านพระครูอัญเชิญพระพุทธวัจนะมากราว้ากใครต้องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ จะไปถิวัดอาตมาก็ได้หรือถิคณะห้าวัดมหาธาตุก็ได้เหมือนกันสมภารวัดป่ามะม่วงเชิญชวนเมื่อเห็นคนฟังเกิดศรัทธาภาษาทะต้องเสียเงินหรือเปล่าคะสตรีที่จ้างค่าสามีถามไม่ต้องเสียทุกอย่างฟรีหมดอาตมารู้ว่าคนไทยชอบของฟรีเลยจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือที่พักแล้วถ้าใครไม่มีค่ารถกลับบ้านอาตมาก็แถมค่ารถให้ฟรีๆอีกด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงพูดทั้งพระและขฤรือหัดต่างตั้งใจว่ากลับจากแสวงบุญจะต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงให้จงได้หลวงพ่อคะหนูขออนุญาตถามจารณาสข้อที่8 คือเป็นผ้าหูสูตรหนูไม่เข้าใจทำอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผ้าหูสูตรคะนางสาวสายใหญ่รักถามเพราะอยากรู้พระมกุฏเทศรีบพูดขึ้นก่อนว่าเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะโยมตอนนี้บ่ายคล้อยแล้วเราไปชมคุกที่พระเจ้าอาชาศัตรูขังพระเจ้าพิมพิสารกันดีกว่าหรือหลวงพ่อว่าอย่างไรครับท่านถามสมพานวัดป่ามะม่วง ผมก็เห็นด้วยกับท่านเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะหนูนะท่านบอกนางสาวสายใหญ่รัก